สนุกสนานสำราญในคืนเดือนงายเดี่ยวคอยกูครองรำฟ้นอนพ่อเพื่อนหญิงชายแต่มาปีกลายผับไทยดังสายคลื่น p e i n